หปัจจญ า, านุโลม 2. สังขยาวานสุทธไนหนึ่งยยี่สเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระ นิสัยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสาวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระ ชาณปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมี13วาระนาฏปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยมีเจวาระอวิกตปัจจัยมี13วาระสภาขณาย อธิปฏิปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระสาชาตปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนิสัยปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสามวาระอินตริยปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับเหตุุปปัจจัยมีเจ็ดวาระ สามปัุตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการนับอนุโลมแห่งปัญหาวานในกุสลติกะที่นับไปแล้วอนุโลมจบ สปัจจนิยุทธทานหนึ่งยสอสภาวธรรมทีเ่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอารามานปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที heart, ่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามานปัจจัยและอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบาก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 นาเหตุปัจจัยมีสิบหกวาระนาอารามะนปัจจัยมีสิบหกวาระนาทิปติปัจจัยมีสิบหกวาระนาอนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระนาสมนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระนาสหัชชาตปัจจัยมีสิบสองวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีสิบสองวาระนานิจจยปัจจัยมีสิบสองวาระนาอุปนิจยปัจจัยมีสิบหกวาระ นบปุเรชาตปัจจัยมี14วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี16กวาระนอาเสวนปัจจัยมี16กวาระนกรรมปัจจัยมี15้าวาระนวิปากปัจจัยมี14วาระนอาหารปัจจัยมี16กวาระนอินทรียปัจจัยมี16กวาระนัชาณปัจจัยมี16กวาระ นามัคปัจจัยมี16กวาระนสัมปยุตตาปจจัยมี12วาระนวิปยุตตาปจจัยมี10บวาระโนอธิปัจจัยมี10บวาระโนนัตติปัจจัยมีสิบกวาระโนวิกตปัจจัยมี16กวาระโนอวิกตปัจจัยมี10บวาระสภาขไนนาอารัมณปัจจัยกับนาหิรุปัจจัยมีสิบกวาระละ โนอวิกตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสิบวาระในวงได้พึงขยายพิจาดาลเหมือนการนับปัจจนิยะในกุศลติกะปัจจนิยะจบสามปัจจยานุโลมปัจจนิยะเหตุสภาขไนหนึ่อยยานอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระ หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระหนอนันตระปจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระน้าสมนันตระปจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอัญญมัญญาปจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระหน้าปณิสียปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเพรทุปัจัยมีเจ็ดวาระ นปัจฉาชาตะปัจจ ah ัยก ah ับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกะเพรตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับเพรตุปัจใจมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระนอินตรียปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระ นาชานปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนมะขะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระโนนาทีปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจ็ดวาระคัตตนา นาอารมณปัจจัยกับปัจจัย5คือเหตุสหาชาตะนิสยาอธิและอวิคตะมีเจดวาระละนาัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระละนวิปากปัจจัยกับละมีสี่วาระละนาสัมปยุต ป, ปัจจัยกับละมีสามวาระ pobl. นวิปยุต ป, ปัจจัยกับละมีสามวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในมุเลพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการนับอนุโลมปัจญจิยะในกุสลติกะผู้รู้พึงสาธยายมรรคปัจจัยนี้อนุโลมปัจญจิยะจบ 4. ปัจจยปัจญจิยานุโลมในเหตุตุทุกข์ในหนึอยยีอารมามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระอานันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระสมาันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระสหชาตาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี11วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระนิตยญาปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมี13วาระ อุปนิสตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๓วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๓วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๒วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๙วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี๓วาระ อาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระชาณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจวาระมัคคะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระสำปรยุติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสมวาระวิปปยุติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี13วาระ นาทิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจวาระวิกตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจวาระอวิกตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระเติกนัยอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีเจวาระละอวิกตตปัจจัยกับละมี13วาระ ในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนการนับปัจจนยานุโลมในกุสลติกะปัจจนยานุโลมจบวิปากติกะจบ 4. อุปาทินติกะหนึ่งปฏิจจวาลหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาลเหตุปัจจัยหนึ่ง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 มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่การมันประกอบดิตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบดิตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุัปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตจมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นะขันสองและจิตตจุมุทฐานารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ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 ได้แก่ติตสมุูฐานารูปอาศัยขันธ์ที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นอานันตรัปัจจัยเป็นต้น 4. ส, สภาวธรรมที่การมันประกอบในตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ละกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเปล่าสัญญาสัตรพระมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาศัยสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีสามาระ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 การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทานละในปฏิสนธิขณะขันสามและหัตถ a วัตถุอาศัยขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นละหัตถ ay วัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัตถ a วัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น สำหรับเราสัญญาสัตย์พรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละอาศัยสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานละอาศัยสภาวะธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละ นิตยปาจัยและอุปนิศยปัจจัย 6. อาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถ uh ือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะนิตยปัจจัยมี9วาระเพราะอุปนิศยปัจจัยมีสาวาระปุเรชาตปัจจัย 7. สภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เพราะนัตถิปั จ, จัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอาวิคตาปัจจัยในมงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนปฏิจจวานแห่งกุศลติกะที่ท่านขยายให้พิจารตามแนวแห่งการสาธยาย 1. ปัจจญานุโลม 2. ส, สังขยาวานสุทไนัย12เหตุ ป, ปัจจัยมีก้าวาระ อารามณปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิตยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปปัจจัยมีสองวาระ กรมปัจจัยมีกาวาระวิปากปัจจัยมีกาวาระอาหารปัจจัยมีกาวาระอินทรียปัจจัยมีกาวาระชานปัจจัยมีกาวาระมัคคปัจจัยมีกาวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีกาวาระอธิปัจจัยมีกาวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระ วิกตปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระเหตุทุกกนในอารมามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับปฏิจจ์ในกุสลติกะที่นับไว้ตามแนวทางแห่งการสาธยายอนุโลมจบ